และมูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสดาที่ถูกส่งมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นเอกภาพการปฏิเสธของพวกมุชริกีนต่อการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอ์และความประหลาดใจอย่างมากของพวกเขาต่อการที่ท่านรอสู ล, ลุลลอสสลลลฮุอะไลฮุวะสลัมเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่การให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลลอ์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 เนื่องจากการทำความชั่วและการประกอบอาากรรมของพวกเขาต่อมาบทได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูตบางท่านเช่นได้กล่าวถึงเรื่องของดับีดาวูดสุไลมานอยุบอิสหักยากูบอิสมาอัและสุลกิฟเป็นต้นบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งอนุภาพและเอกภาพของอลัลลอฮ์ในจั ก, กรวาลซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา และสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลซึ่งถูกประดิษฐ์ไว้อย่างสวยงามทางนี้เพื่อการเตือนให้ตระหนักว่าจักรวาลนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ไร้ประโยชน์และแน่นอนย่อมจะมีโลกที่สองเพื่อตอบแทนผู้กระทำความดีและผู้ทำความชั่วบท น, นี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงหน้าที่ของท่านาศาสนาูตดและหน้าที่หลักของท่านนั้นคือหน้าที่ในการเผยแพร่และชี้นามนุษย์ไปสู่ทางหนงที่ถูกต้อง บทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทซอดซึ่งเป็นพยัญชนะหนึ่งในบรรดาพยัญชนะของภาษาหลัเพื่อเป็นการสรุดีต่อคำภีที่เป็นปาฏิหาริ์ซึ่งอัลลอส์ทรงท้าทายมนุษย์ในยุคแรกๆ แ, และยุคหลังๆด้วยพยัญชนะหลาวี ด้วยพระนามของลผู้ทสงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ส, สอดขอสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นเครื่องเตือนสติแต่ทว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในการหยิ่งพยองและการแตกแย่ هم, ن, กี่ศตวรรษมาแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนพวกเขาแล้วพวกเขาได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีเวลาอีกสำหรับทารอด และพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนที่มาจากหมู่พวกเขามายัางพวกเขาและพวกปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่านี่คือนักมายากลและนักโกหกตัวชักาศเขาได้ทำให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวขนะ น, นั้นหรือ แท้จริงนี่เป็นเครื่องประหลาดจริงๆและพวกหัวนหน้าของพวกเขาพากันออกไปพรางกล่าวว่าจงก้าวหน้าต่อไปและอดทนในการยึดมั่นต่อบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าต่อ ่จิงนีเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนในศาสนาสุดท้ายนี่ไม่ใช่อื่นใด น, นอกจากเป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้น ออนสิราลัยฮิดดิกรมินใบ น, นาบัลฮมฟีชักคิมมินดิกรีบัลลัมมายดูกวรอดาบได้มีข้อตักเตือนคืออลุกราณทูกปราทานลงมาแก่เขาแทนพวกเรากระนั้นรือหามิได้พวกเขาอยู่ในการสงสัยจากข้อตักเตือนของข้า ไม่เพียงแต่เท่านั้นพวกเขายัางไม่ได้ลิมรถการลงโทษของข้าหรือว่าที่พวกเขามีมขมคลังแห่งความเมตตาของพระผู้มิบาลของเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย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 และสมุดและกลุ่มชวนของลูตและชาวป่าทึบชนเหล่านี้ก็เป็นแนวร่วมไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกเขาเว้นแต่ปฏิเาสธบรรดาศาสนาทูต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 และเราได้ทำให้นกมารวมกันทั้งหมดเพื่อเชื่อฟังเขาและเราได้ทำให้อนาจาักของเขาเข้มแข็งและเราได้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เขา และการตัดสินที่ขาดในเรื่องต่างๆลาลลาและเรื่องของผู้โต้เถียงได้มาถึงเจ้ามูฮัมหมัดบ้างใหม่เมื่อพวกเขาปีนข้ามกำแพงไปหาที่มิหรอบของดาวิดอิดดักลูอัลอาด้าวิดะฟาซีอาหมินฮุมกาลูลาตัช غ بعضنا بعض نا على بع نا الح الح على ق ت ت ف. ف ق ت ت เมื่อพวกเขาได้เข้ามาหาดาวุดเขาตกใจกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่าได้กลัวเลย เราคือผู้โต้เถียงสองคนคนหนึ่งในพวกเราได้ล่วงเกินอีกคนหนึ่งดังนั้นได้โปรดตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความยุติธรรมและอย่าได้ลำเอียงและจงชี้แนะเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเถิดอินน่าดาอัลทิะนจตวะลิะเจตูวะหิดะนาล แทิงนี่คือพี่ชายของฉันเขามีแกะตัวเมีย99ตัวและฉันมีแกะตัวเมียตัวเดียวแล้วเขายังพูดว่าเอามันมาให้ฉันสิแล้วเขาได้คมขู่ฉันในคำพูด وَإِنَّكَ ك ث ِ ي ر ٌ مِنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا ِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ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 เว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายและพวกเขาเช่นนี้มีน้อยและดวารู้สึกว่าเราได้ทดสอบเขาดังนั้นเขาจึงได้ขออภัยต่อพระผูบ้บานของเขาและเขาได้ก้มลงคารวะและทบทวนความผิดด้วยความเสียใจ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 แท้จริงบรรดาผู้ที่หลงไปจากทางขอรอนั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างสาหาัสเนื่องด้วยพวกเขาลืมวันแห่งการชำระสอบสวนคือวันเกียาาก اء, ร์มา และเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นโดยไร้าสาระนั่นคือการนึกคิดของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นความหายนะาจากไฟนรกจงประสบแก่บรรดาผู้ ป, ปฏิเสธศรัทธาอัจะจอัลลรวามเมตผู้อบบัลิฮาต่ที่อัลอทรงใหามเผู้อัลทรามเตตาแกทีอัลลอฮทรใาเาผู้ทอรความแผู้ีลลทำความดี เช่บนบรรดาผู้บ่อนทำลายในแผ่นดินครนั้นหรือหรือแจ้เราปฏิบัติต่อบรรดาผู้ยำเกรงเช่บนบรรดาคนชั่วกรนั้นหรือคมัมภีรอัลกุรอานที่เราได้ประทานลงไม้แก่เจ้าที่มีความจำเริญ เพื่อพวกเขาจะได้พินิษพิจารณาองค์การต่างๆของอัลกุรอานและเพื่อผู้มีสติปัญญาจะได้ใครควรเราได้ประธานบุตรคือสุลัยมานซึ่งเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแก่ดาวุดแท้จริงเขาหน้ามาสู่เราเสมอ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 จงดนำมันกลับมาให้ฉันแล้วเขาก็เริ่มลูบขาและคอของมัดจงนำมันกลับมาให้ฉัน แต่โดยแน่นอนเราได้ทดสอบสุไลามานและเราได้วางร่างหนึ่งไว้บนเก้าอี้ของเขาแล้วเขาก็ทบทวนความผิดด้วยความเสียใจขาอกล่าวว่าโอพระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ฉันด้วยขอพระองค์ทรงประธานอำนาจอันกว้างขวางให้แก่ฉันซึ่งไม่คู่ควรแก่ผู้ใดนอกจากฉันแท้จริงพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ทรงประธานให้อย่างมากมายและเราได้ทำให้ลมพัดเฉดเฉยตามบัญชาของเขาไปอย่างทิศทางที่เขาต้องการ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 และมีทางกลับที่ดียิ่งในปัจบันโลกและจึงนับลึกถึงบ่าวของเราอายุบเมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาโดยกล่าวว่าชัยตอนมารร้ายได้ทำให้ฉันได้รับความเหนื่อยยากและทุกข์ทรมาน ต้นกระทื่พันดินด้วยเท้าของเจ้านี่คือน้ำเย็นสำหรับชำระลางและสำหรับดื่มและเราได้ประทานครอ บ, ค ร, บครัวของเขาให้แก่เขา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 แท้จริงเราพบว่าเขาอายุปเป็นผู้อดทนเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแท้จริงเขาหันหน้ามาสู่เราเสม อ, อ, ม อ, ลอและจงรำลึกถึงปวงบ่าวของเราอิบราฮีมอิสหะและยากูบผู้ที่เข้มแข็งและสายตากว้างไกล เ ร, เราได้เลือกพวกเขาไว้โดยเฉพาะเพื่อเตือนให้เราลึกถึงปรโลกและแท้จริงในทัศนาของเรานั้นพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีที่ได้รับเลือกอย่างแน่นอน เราจะเรับเลึกถึงอิสมาเอลและอยาสะและซัลกิฟีและทุกคนอยู่ในหมู่คนดี ru, นี่คือข้อตักเตือนและแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นแน่นอน ทางกลับของพวกเขาย่อมดีแท้นนมมคือสวนสวรรค์อันสถาพรประตูทุกบานจะเปิดอ้าเอาไว้สำหรับพวกเข า, าพวกเขาจะนอนเอกเหนกอยู่ในสวนสวรรค์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 น, นั่นก็คือนรกยานนะโดยพวกเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนั้นดังนั้นมันจึงเป็นที่พมนักอันชั่วชายิ่ง น, นี่คือการลงโทษดันเจ็บแสบ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 พวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้บัลของเราผู้ใดที่ได้เตรียมการลงโทษนี้ไว้ให้แก่เราขอพระองค์ได้ทรงโปรดเพิ่มการลงโทษให้แก่เขาเป็นสองเท่าในไฟนรกด้วยเถิด